ท่านสาธุชนมุตบบริษัทก้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบ ก, กันเรื่มมองมโหสถเมื่อวันก่อนมาค้างต่อปัญหาที่พระเจ้าวิเทหราช ท, ทดลองใจมโหสถถ้าย่าทิ้งตอนนี้เลยไปซึก่อนก็เกรงไปว่าลูกหลานจะเสียประโยชน์ในการสดับ เียกโผลูโผล่ข้มาก็มโหสดแก้ปัญหามันก็ไม่ถูกให้กันขอย้อนต้นเสนิดหนึ่งว่ามเมื่อว่าเจ้าวิเทยรราชทรงตรัสถามไปสั้นถางกับมโมโหสดบัณฑิตพอสมควรแล้วเจียงจัดเพื่อจะทดลองใจมโมโหสดหนี่ถามว่าคนบางพวกไม่ทำความชั่ว ก็เห็นว่าตนสมบูรณ์บริอิสริยยศคือมียศใหญ่นะั่นย่งเป็นรัฐมนตรีเป็นชั้นตรีเป็นยันโทเป็นยันเอกเป็นชั้นพิเศษอะไรพวกนี้บางพวกไม่ทําความชั่วเพาเกรงว่าตนเองจะตินั้นจะถูกตีเตียนแล้วก็เกรงว่าคนที่ให้ยศถามบรรดาศักคือเจ้านายเนี่ยศจะถูกตีเตียนไปด้วย แต่ว่าเจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดโปร่งถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็สามารถทำได้เหตุใดจึงไม่ทิงราชสมบัติจากเราและก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่เราอ๋สดได้สนับพระราชดำรัสของพระราชาแล้ว ได้กราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหมดย่อมไม่ทำความชัว่วคำว่าบัณฑิตนี่เป็นคนรู้ไอ้คำว่ารู้นี่ไม่ใช่รู้หนองสือนะอย่างบัณฑิตต่างๆที่เย่อเย่อๆอย่าเขาไม่ได้บัณฑิตหรอกเขาเรียกอันาพานอันถ า, าน เขางโง่โดยเขาบอดด้วยคําว่าบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนดีอย่าลืมนะจ๊ะบัณฑิตหนึ่งจะเป็นคนฉลาดด้วยและก็เป็นคนดีด้วยไม่ทําลายเศรษฐกษิจของประเทศชาติไม่ทําลายความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ไม่หวังทําลายชาติไม่ทําลายวงศตระกูล ไม่ทำลายระบบประเพณีแต่บางทีลูกหลานที่รักจะฟังขา่าวว่าบัณฑิตยังนี้เขาฟรีทุกอย่างอะไรอะไรก็ได้อย่างที่ชาวบ้เขาไม่ทำกันทำได้เหมือนกับสัตว์เลียฉันที่เขาทาหมายความว่าไอา้ความอะไรเนาะสิ่งที่เขาไม่ทำกันเน่ยังก็ไป ร่วม ร, ร, รักกันที่ไหนคนไนด้ใครที่อะไรนางเสพเพียงเพื่อฟรีเซ็กเวลานี้มีอยู่เยอะแต่เขาเรียกคนประเภทนัน้นว่าบัณฑิตแต่ที่เป็นบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตแม่และก็ช่างเลยมันไม่ใช่แต่คําว่าบัณฑิตในที่นี้หมายถึงเป็นคนฉลาดมีปัญญาแล้วก็มีความประพฤติดีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วในแต่เนี่ยเขาไม่มีบัณฑิตจริงนะ เป็นคนรู้เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนมีจิตญามีศีลธรรมมีมันญาติดีฟังคำกราบทูนของมหโหสถต่อไปท่านตอบ ว, ว่าบัณฑิตย่อมไม่ทำความชั่วเพื่อเหตุแห่งความสุขของตนถึงแม้ว่าจะเคยรุ่งเรืองด้วยสมบัติมาก่อนแต่มาถึงคราววิบัติในภายหลัง แม่จะถูกทุกข์มั น, ม, นมายมความว่าแม้จะถูกทุกข์ทับถมก็ไม่สลับธรรมะเพราะความรักหรือความช่งฟังใหดีนะท่านบอกว่าขึ้นชื่อว่าคนดีมันดีติตเก็คือคนดีเขาไม่ทำความชั่วกันเพราะว่าไอความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นนั้นจะสายราเหตุที่ตนเคยรับความสุขมาก่อน หรือแม้ว่าจะมีความรุ่งเรืองได้ทรัพย์สมบัติมากมายก็ตามทีแต่แต่ทั้งว่าได้ถึงความมีบัติได้อับโชคอย่างก็เลยการรับตําแหน่งหน้าที่ต้องสูงกง็ต้องค้นตําแหน่งไปเป็นต้นภายหลังเนี่ยก็ตามหรือว่าถึงแม้ว่าจะถูกทุกข์เข้ามาทับถมมันทุกข์แสนสาหัสแต่ว่าบรรดาขึ้นชื่อว่าเป็นบัณฑิต เขาก็ไม่สลัดธรรมะคือความดีเพราะเขายังรักเพ ร, เพราะเหตุถึงความรักรู้เหตุเพราะความชังคือเป็นธรรมบัณฑิตเนี่ยจะไม่ยอมทําลายความดีของตนที่คนนั้นจะมาเป็นศัตรูหรือเป็นม่กรตามเขาจะทรงทำความดีไว้เป็นปกติให้ดู ห, หล้านฟังอาจจะไม่เข้าใจนะ รความบัณฑิต น, นี่ จ, จ, ะ จ, ะ จ, จะไม่ยอมทำความชั่วในเหตุทุกๆกรณีแค่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะได้เปรียบจะเสียเปรียบอะไรก็ตามเขาจะไม่ยอมจะส่งความดีไว้ยิ่งกว่าเกลือรักษาความเข็มคือได้มนักษาความเข็มได้ก็จริงแต่ถ้าเอาเขาไปขลก ก็ไอของที่มีรสเปรี้ยวมากมากความเก็มันก็หายไปเหมือนกันเพราะความเปรี้ยวมันมั น, ม, นมันกลบเสียแต่ว่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตแล้วจะไม่ยอมละทิ้งความดีถึงแม้ว่าตัวนี้ตายก็ตามจะยอมทรงความดีกับไว้ไอธรรมะนี่กับเราความดีเมื่อพระเจ้าวิเทราช ท, ทนทรงทดลองแล้วข้อหนึง่งก็ทดลองต่อไป จนถ้ารู้ว่าคนที่เคยยากเข็ญคนจนนะต่อมาได้รับทรัพย์สมบัติสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่ จ, จะตัดไมตรีจากผู้มีอุปการะคุณได้ไม่ใช่หรือนี่หมายความว่าเจ้ายาจกเจ้าก็จอกนะมันจนแสนจะจนแต่ว่าพอเขาให้เข้าเกิดความร่ำรวย ก็เลยอักตันโยไม่รู้คนๆตัดไม่ตีคือความริมิตคิดทุจริตหักหลังโอ้เวลานี้มีเยอะเวลานี้หาไวิยาไอคนคิดทุจริตคิดหากหลังเนะี่ยมีบางคนล้มู่จะเล่าให้ฟังบางคนพอได้ดิบก็ดีก็มาเกิดความอาฆาตโกรธใครมาแต่ข้งางไหนข้งางไหนก็ตามเทียทาลายล้างเรื่องหน้าที่ตนมี แต่ว่าความอปรีของคนประเภทนี้ไม่ชาตัวเองก็พังพังและก็ไว้นั่งจ๋องอภายขารกินน่ะเนี่ยคนในยามแบบนี้มันมีอยู่แต่ถ้าว่าพระราชาจะถามว่าคนอะที่เคยยากยากจนเข็นใจมาแต่นั้นเมื่อได้รับการสนับสนุนให้ร่ำรวยแล้วกลับในละคณคนที่มีคนมีไม่ใช่เลย วราโซลก็กล่าวผลว่าบุคคลท่านนะท่านตอบว่าบุคคลที่นั่งหรือว่าที่นอนที่เงาของต้นไม้ก็ไม่ควรจะหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะว่าเพราะผู้ที่หักกิ่งต้นไม้ชื่อว่าเป็นคนทำร้ายมิตรเป็นคนชั่วมีหมายความถ้าเรามีความสุขเพราะใคร เราก็อย่าเป็นคนอักตันยอยู่ทำลายเขาเพราะเรามีความสุขเพราะเขาเหมือนกับคนที่นั่งอยู่คนต้นไม้ถ้าไปหักกิ่งต้นไม้เขา้าเราได้สายร่มสายเงาจากต้นไม้มันทำลายกิ่งทำลายใบยในสุดกิ่งไม่มีใบไม่มีแล้วก็นั่งตากแดดนั่งตากแดดตากลมตากฝน เหมือนกับคนที่รับความอุปการะจจกใครแล้วก็จงอย่าททำลายพวกนั้นนั่นเอง่านกล่าวต่อไปว่านรชนได้ความรู้เล็กน้อยจากคนใดหรือว่าดดคนใดแก้ความสงสัยให้สินไปคนนั้นเป็นสมัยเกาะอันเป็นที่พึ่งของของนรชนจึงไม่ทัวไม่ควรทำไ ม, มตรีกิจให้เสียไปจากท่าน หมายความว่าถ้าเราเรียนวิชาความรู้จากใครเนี่ยอย่างลูกหลานที่รักเกิดมาแล้วได้ความรู้จากบิดามันดาเป็นอันดับแรกได้รับความรู้จากพี่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ได้รับความรู้จากครูบาอาจารย์หลายจงอย่าลืมว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณอย่าทําตนเป็นผู้ในรคุณ ที่เรียนวิชาวความรู้มาแล้วหาว่าครูเนี่ยเป็นท่ายของรัฐบาลมั่งเป็นท่านรับใช้รัฐบาลแต่ความจริงเขาไม่เห็นเลว่าไอ้ความรู้ที่เขาได้เขาได้มันจะครูแต่ครูมาสอนถ้าไม่มีค่าจ้างครูก็อดตายที่ท่านตั้งหน้าตั้งต า, งตางมาเป็นครูเขาเพหวังการส่งเคราะหนกเพราะถ้าปีไหนรู้สึ์สอบตกมากครูเขาหน้าเสีย ถ้าเราสิสอบได้ครูก็สบายใจถ้าได้ที่หนึ่งทั้งโลกแต่ว่าทั้งประเทศครูจะยิ้มน้อยยิ้งใหญ่ดีไม่ดีครูเสียก็ตังเรียเองด้วยนี่เห็นความเมตตาปราณีของครูฉะนั้นคนที่รับความรู้มันจะใครก็ตามแม้ได้ความรู้เล็กน้อยก็จงยาประมาทท่านเจตีจากท่าน คือหมายควาให้ความกตัญญูรู้คุณเพราะเราได้ความรู้มานี้ได้รับความเฉลตานี้เพราะท่านเป็นสําคัญมโมโหสดได้ถวายพก็อว่ า, ออวาต่อไปในอาคแล้วสิว่าบุคคลผู้ครองเรือนแต่ว่ามีความเกียดครางขี้เกียจคนที่มีบุคคลคนที่หมายว่าคนครองเรือนหมายมาที่ว่าคนที่มีบ้าน มีหัวมีเมียแต่ว่ามีความขี้เกียจก็ไม่ดีนักบวชไม่สำรวมก็ไม่ดีราชาขาดความพิจารณาก็ไม่ดีฮะราชาที่พดีทรงินิททรงพินิตรอบครอบเีก่อนแล้วจึงทรงประกอบราชกิจหากขาดการพินิตรก่อนไม่ควรประกอบราชกิจ ทำให้ประกอบเารษฐกิจไนความจะเป็นพระราชาจะทำอะไรต้องใข้่คลนก่อนจริงก็ทำกิดนั้นไปถ้ายังคิดไม่ออกไม่ทันจะคิดเึกอะไก็ปล่อยรงเพลงิงพงเพลงไปนี่ไม่ใช่วิสัยของพระราชาคนเป็นพระราชานี่เป็นยากไม่ใช่อยู่ๆก็อ้าวอยากจะให้สัมภาษณ์จะซื้อพิงก็ว่ากันไปมึงด่ากูากูดาก่ามึง ดีไม่ดีทำบ้านเหมือนนี่เกือบจะชิบหายมันไล่ไปทั้งประเทศแต่ไปออกนอกเขตแม่ให้สัมภาษณ์แท้โหฉันนี่หนึ่งในตรองโอฉันนี่เด่นประเทศชาติดูแล้วว่าฉันไปที่ไหนได้คนทั้งประเทศจะพากันมันไล่ไปตามตามกันโน่นไปดูที่แก่งบ้านตะบนบ้านแก่งห้างแมวเรียกวัดจันรูุรีนั่น ไปดูคนเข้าป่าเข้าดนไบไม้มาทลายไม้ตกงานาทําำงานทํางานงานงานมันดิน้นเอาเทนี้นตกไม่ใช่แลอกเขาฝรั่งกลับไปหมดแล้วไม่มีงานจะทําที่ดินก็ไม่มีจะกินไม่มีจะทาไม่มีจะกินจะใช้เข้าในาป่าหรือเข้าไปในป่าสงวนอ้าวขะารายการเขาก็ไล่ถ้าบอกว่านี่ป่าสงวน ก็ทนทูกซียอมตายกันมีที่คนไร่สองไร่แต่ลูกตาแตงกอบบางคนมีลูกแต่เจ็ดไตคนเข้าไปดูพระนุ่งพระห่มก็ไม่มีสงสารนุ่มปูย่องอาไปเท่านั้นต้องไปซื้อข้าวแจกเขายี่สิบเกวียนเรือสองพันถังแล้วก็ส่งเสื้อผ้าที่บรรดาญาติโยมพุทธบรมสานีบิดามรรดาของลูกหลานทั้งหลายส่งไปให้ ก็ไ่ให้สวงสายแก่แต่ว่าน้องปู่ก็ได้ให้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละมันไม่มากข้าวสองพันถังแต่คนพันคนลูกหลานที่รักคนละสองถังข้าวเปลือกที่มันไม่ได้เท่าไรแต่าการไปของปู่เร่านั้นก็ไม่ได้เอาเงินไปเงินนองปู่ไม่มีคนที่เขาไปด้วยก็ต่างคนช่วยกันออกแม่ก็รู้สึกขอบคุณท่าน เอนี่เรามาพูดกันนะว่าคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเน่มันต้องรู้ภาระนาทีคือคนที่ปกครองบ้านเดือนน่ะถ้าเป็นคนที่เกียจก็ไม่ดีลูกหลานจาไว้น่ะมีบ้านมีเรือนมีสามีพันยาต้องขยันอัยันไม่งั้ น, มนไม่พอกินแต่นักบวชที่ไม่สำรมข้าว่าไม่สมรมคำว่าสำรมในหมายการระวงัง ระวังว่าเรามีวิ น, นัยที่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างถ้ารับวินัยก็แปลว่าเราเ บ, บียดที่ต้องปฏิบัติมีธรรมะส่วนใดที่ต้องพึงทํานักบวชจริงๆเขามีการปฏิบัติจิตสามอย่างคาดไม่ได้เพื่อหนึ่งศีลสิกขาศึกษาศีลปฏิสปสีในครอบทวนสองจิตสิกขาทําจิตกระตนให้ได้ฌานสมาบัติ สามปัญญาศิกขาทาจิตใจก็นตน่สะอาดหมดจดจากกิเลสเพื่อหาว่าวทาได้ทั้งสามอย่างนี้ที่ว่าบัณฑิตนักนักบวชคนนั้นเป็นผู้สำรวมและก็ ง, งามถ้าศีลบกพร่องสมาธิไม่ดีปริพศนาคืคอปัญญาไม่แจ่มใสยังมีกิเลสยังชอบสวยชอบรวยชอบโกรธชอบหลง อย่างนี้มาเข้าไม่เลือกนักบวชเขาเริ่มนักเบียดเขาบวชเขามาเบียดเบียนชาวบ้านหลอกชาวบ้านเขาหากินดีไม่ดีก็ไรไรมันทั้งปีทั้งชาติแล้วบินระบาดวนไปวนมาเคราะห์เคราะห์และเวียนเทียนบินระบาดแล้วมันได้มาขายเนี่ยตามแถวรประตูน้าไม่ยังไงเขาเล่ากันนะถ้าปากของตลาดเนี่ย เขาเล่าให้นุม่มปูป่ฟังนุ่มปู่ไม่เห็นนะถ้าจริงทำนั่นก็นา่าสลดใจแล้วเขาบอกว่าพระราช า, าการพิจารณาก็ไม่ดีเหมือนกันชื่อว่าพระ ร, ราชาที่ดีพดระ ร, ร, ราชาผู้บันใหญ่จะต้องพิจ า, ารณาซิก่อนเลือจริงกระทําว่าขายการพิจารณาก่ อ, อ, อนกระทําก็ไม่สมก็ไม่สมคนแต่ในฐานะที่ตนเป็นพระราชา ขันว่าต่อพระิตสริยยศบริวานยศเกียรติยศย่อมปรากฏแด่พระราชาผู้ทรงพิจารณาก่อนแล้วจึงบำเพ็ญพระราชกรณีพระราชกรนียกิจพระราชกรียกิจไม่ก็กิจที่พระราชาจะทรงทำนี่ขันว่าโหสุกราบทูนจบพระราชาก็ทรงสมนัติสมนัตนี่ก็ดีใจ ปรีดาประโมทอย่างยิ่งเมื่อจะให้มโหสถแก้ปัญหาที่เทวดาถามพระองค์จึงได้ส่งให้มโหสถนั่งในที่สูงเห็นไหมเจ้าแม่ลูกหลานที่รักจะเรียนอะไรกับใครเนี่ยต้องให้ครูเขานั่งที่สูงคนที่เป็นครูนั่งที่ต่ําไม่ได้คนที่ไม่เคารพในครูบาอาจารย์ไม่ดี เมื่อในเมื่อพระอาให้มาโหสุดนางี่สูงแล้วส่วนองค์ประทันนั่งในที่ต่ากว่าเองถามว่าพ่อบัณฑิตเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่เสวิกชัดได้ตั้งปัญหาถามสี่ข้อพ่อหมดปัญญาที่จะแก้ไขเพราะตัวนเองนะครับพ่อนะพ่อเนี่หมดปัญญาที่จะแก้ไขไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ขอพอ่อให้บัณฑิตเจ้าสี่มาแก้เราแก้ไม่ได้เทวดาได้ฆาดถดไว้หนักเหลือเกินว่าถ้าแก้ไม่ได้พ่อก็เห็นอยู่จะลูกคนเดียวท่านแหละฮะอยู่จะลูกคนเดียวที่จะสามารถปลดปลื้งความทุกข์ของพ่อให้หมดไปได้ในครั้งนี้ถ้าพ่อไม่กรนาพ่อแล้วก็ ถ้าลูกไม่กรนน้าพ่อพ่อก็แย่เต็มทีคนี้ตายแน่พระราชเสียงเบาตอนนี้เสียงเบาคึกคักไม่ไหวท่านโมโหสดท่านก็ไม่ลืมตัวได้กราบทูลว่าขอดีชะขอพระองค์ทรงโปรดถามมันหาแต่ถามมันหาเนีสี่ข้อมาเถิดเลยเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชจินตัด แต่เทีวปัญหาคือปัญหาเทวดาว่าข้อที่หนึ่งเนื้อความของปัญหานั้นก็ปรากฏกับโมโหสถดดูเจดดวงจันทรละปรากฏในวันเห็นในท้องฟ้าเช่นนั้นมโหสถยังกราบทูลปัญหาข้อที่หนึ่งว่าข้าแต่พระองค์อระบเสดคนที่พยายามทั้งถีบทั้งคนทั้งตีเขาเนี่ยแล้วก็คน แล้วคนที่ถูกทุบถู ก, กตีไม่โกรธก็กมีความรักก็ได้กับทารกที่นอนบนตาขอ้อมารดาและก็ทุบตีถีบมารดาด้วยความราดเริงแล้วก็ยินดีบางครั้งก็ถอนผมมารดาเล่นบางครั้งก็ตกปากตกคอบรรดาแต่มัรดากับรักใคร่ในความไม่เดียงสาของทารก สวมกอดจูบด้วยความชื่นใจถ้ารกนั้นยมเป็นที่รักของมันดาก็รวมทั้งบิดาด้ว ย, ยมีหมายความว่าคนที่นั่งอยู่ถูกตีทุกข์เขาบ้างตีเขาบางคนถูกทุกข์ตีกับเป็นที่รักนี่ต่อไปตั้งบทเทวดาเมื่อขนาดทีม่มโหสถแก้ปัญหาเทวดาก็นั่งฟัง พอฟังจางนั้นแล้วก็เผยคำพูชัดออกมาสแสดงกายให้ปรากฏนี่ก็ร้องสาธุกการว่าโอนน์เนพ่อบัณฑิตท่านแก้ปัญหาได้ถูกต้องดีมากแล้วก็บูชาโมโหสดี่ด อ, อกไม้หอมซึ่งล้นจะเป็นของทิพย์แล้วก็หายไปแล้วกันไราชาที่ตัดถามปัญหาก็เทวดาข้อที่สองต่อไป ที่ขอสรุปนะโอ้โสดก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบิดามันดาผู้สั่งลูกอายุประ ม, มาณเจ็ดใส่ขวบให้ไปนาหรือว่าไปตลาดลกูกกับครูว่าต้องให้ข น, นมลูกกินก่อนลูกจึงจะไปให้บิดามันดาข น, นมลูกกินสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูกก็ไม่ยอมไป ไปเล่นสีกับเพื่อนเมื่อบังคับหนักเข้าลูกก็เถียงว่าที่พ่อแม่อยู่กับบ้านใจหนูไปตากแดดวิดามันได้ยินลูกเถียงดังนั้นก็โกรธถามว่าลูกหลอกกินขนมแล้วก็ไม่ไม่ไปตามคาสั่งความม้ยได้ก็ไลตีลูกเห็นดังนั้นจึงไดเวี ย, วยงหนีพ่อแม่โกรธอย่างไรเมื่อไล่ไม่ทันจึงได้โกรธด่าว่าต่าง แล้วก็แช่างให้ลูกตายเพราะถูกสัตว์ ร, ร้ายทำร้ายบ้างอบอกเอา้าไปมึงไปค่อยงูกัดให้ตายหรือให้คนหรือให้คนบ้าทำร้ายการด่าว่าชักแช่งแช่งชักหากระโดกของพ่อแม่ที่มีแต่ลกูกก็เป็นแต่เพียงปากเท่านั้นแต่ใจจริงๆไม่ปรารถนาให้ลูกเป็นไปตามนั้น ทานลูกหนีก็เสดรจเสงไปแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านไปอยู่ที่อื่นไม่ช้าพ่อแม่ก็คลิปติดตามคอยมองดูต้นทางว่าเมื่อไรลูกเจ็ลูกหนอ่อลูกเมื่อไรหนอลูกจะ่กลับมานึกว่าโอ้ลูกที่รักเมกื่อไรจะกลับมาบ้านทักทีเมื่อเป็นลูกกลับมาก็เที่ยวหาจนพบรั้นพบแล้วก็สวมกอด พ่อจะปลอบดยนในคำอ่อนหวานแล้วก็พาลูกกลับบ้านดังนั้นบททีธธ่โทกด่าชื่อว่าเปน็นหิรักคของบิดามันดาเป็เจียวกัใจความเรื่องนี้ลูกหลานฟังแนละ้วเข้าใจดีนะว่าพ่อแม่ที่ทศด่าเราตีเรานะั้นได้ความหมังดีถ้าจะย้อนถามหลวงปู่วังดีด่ า, าทําไมตีทําไมก็พ่อแม่เกรงว่าเราจะชโชกเกรงว่ า, าจะลาบาก เรื่องว่าเราจะเป็นคนไม่ดีท่านสั่งสอนแนะนําดีๆถ้าเรายัางดื้อก็จำเป็นจะต้องตีแต่ว่าต้องดุต้องดา่าเพื่อจดจำํำจะได้สะเทือนใจว่าการทําอย่างนี้มันมีโทษไม่ทําต่อไปแต่ความจริงการที่บิดามันดาด่าว่าเราเครียดตีนั้นก็ปรารถนาให้เราเองมีความสุขนั่นเอง เมืม่อมโหสถกล่าวแก้ปัญหาเทวดาได้ฟังก็ออกมาอีกแทนแดงตัวครันงหนึ่งก็ใ ส, ส, ส่สาธุการสาธุสาธุสาธุนักแปล ด, ดีแล้วดีแล้วดีแล้วพอโมโหสถแก้ถูกแม้แก้เก่งจริงๆทิ ง, งนึกจํานั้นตุลานที่รักราชาตถาถามปัญหาของเทวดาข้อที่สามว่าฆ่าแต่โรคไม่ได โอโห้ schaft, สดก็มุขตัณหาข้อนี้สามโอโสดก็แกว่าถ้าแต่พระองค์พัญญาสามีมาอยู่ในที่รับก็แสดงความรักซึ่งกันและกันเห็นไหมล่ะก็อยู่หน้าเป็นหน้าคนที่ก็ทํากระตุมเตรียมทำท่าไม่อะไรเสียไม่อะไรต่อกันเวลาอยู่ในที่รับก็แสดงความรักซึ่งกันและกันในการตามิสัยของชาวโลกพูดจายอกเย้าเราะกัน ฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรเป็นหายฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายหนึ่งทําเป็นหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีความไม่มีความรักจริงโตเถียงกันตามภาษาคนรักดังนั้นปัญญาเลยสามีชีว่าเป็นที่รักสิ่งอะไรกัน หมายความคนอยู่ที่รับหลังชาวบ้านโขดจารอและทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างพกกันบ้างยิกันบ้างควรกันบ้างแต่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเป็นที่รักสิ่งอะไรกันเทวดาก็ถามแบบนั้นโอ้สุดบอกคนประเภทนี้ก็ได้เลยสามีพัญญาที่เขรักกันเองเป็นธรรมดารักกันกระยอกกันมั่งล้อกันมั่งพกกันมั่งตีกันมั่งยิกกันบ้างควรกันบ้างที่พูดไม่ได้เรื่องเป็นเรา เทวดาพอฟังคำตอบเจ้า ก, ก็โผล่หน้ามาอีกแล้วชวมบว่าอ๋อดีแน่ดีแน่อีกแล้วราชายังถามปัญหาข้อดีสีต่อไปมโหสถกรับทนแก้วา่าแต่สมทุทิเทพนั่งไว้หน่อยนะเวลาได้สองนาทีปัญหานี้เทวดากล่าวไม้งสมนตา์าชีพราม พระสมณะได้ทีปรามที่ว่าเป็นผู้นำข้าวน้ำผ้าและศีนารสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายเขาถามว่าคนที่นำเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าไปแต่คนทุกข์ทุกข์คนที่ถูกนําผู้นั้นนําไปเจะของผ้าของข้าวของเ ส, สนารสนะกลับชอบใจโมโหสดกลับมาโมโหสดตอบว่าข้อนี้ได้กับพวกพระ เนสนาและชีพรามเป็นผู้นําข้าวน้ําผ้าและเสนาสนะไปจากผู้มีศรัทธาถวายผู้มีศรัทธาเริ่มใส่ยินดีต่อเสนะและพรามนั้นดังนั้นเสนาและพรามยินที่ว่าเป็นที่รักของเจ้าของข้าวเจ้าของน้ําเป็นต้นที่ตอนนี้น้ำปู่คุ้นไว้นิเกรงว่าปัญหาข้อที่สี่มันจะไม่ทันเวลา เทวดามีความเรื่มใสตัวเขาสถแอบฟังฟังแล้วก็ชอบใจแล้วก็โผล่หน้าร้องว่าสาธุสาธุดีแล้วจา่าดีแล้วจา่าเป็นการคารวะที่สีและก็ทรัพย์ระอบเต็มไรด้แก้วเจ็บการมันแม่รวยแสนด้วยสิแก้วเจ็บการหลอกหลอนที่รักเป็นของมีค่ามากยิ่งกว่าเพชรมาก มาตกลงแทบเท้าของมโหสถสักจะมาโยนเนี่ยเป็นเครื่องเป็นการบูชาความดีของมโหสถพระราชาทรงเลื่อมใสได้พระราชทานตำแหน่งมหาเศรษฐีแก่มโหสถโอโหแต่นั้นมาโมโหสถกับรรกฏกโมีเกียรติยศยิ่งใหญ่มีความร่เรองยิ่งกว่ามณฑลทั้งสี่ เอาแล้วลูกหลานที่รับต่อต้นนี้ไปจะพูดไปก็ไม่ได้แล้วเวลามันหมดสิ้วได้ลูกหลานทั้งหลายอายุติเวลพิณครันี้นะต่อไปจะได้ดูเจ้าเท่าสรารพัดีิทังสีสแสดงความทรยศอดสูสร้างตนเป็นศัตรูกับประเทศชาติ ไอ้เท่าจังไรใจโอมบาทแต่เพื่นในขอมันดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าจําวิธีการเข้ามามันประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงจําไม่เพื่อละนะอย่าจําเพื่อปฏิบัติอรรัมดาถึงพุทธบริษัท ล, ลุลหลานทุกคนเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วลุงปู่ลาก่อนข้อความส่งสวัสดีพระธนบงคลสมบูรณ์นผล จงมีกระลูหลานที่รับธรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี